วินาศภัยพวกนี้อุบัติภัยพวกนี้มันมีตัวแก้หมดแลโจรภัยก็มีตัวแก้มีตำรวจนะมีกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสารพัดฝ่ายปกครองให้ทุกคนอยู่ร่วมกันโดยมีเรื่องหนาของกฎหมายรัฐธรรม น, นูญหรือว่ามากมายแล้วแต่ยมตอมโดนขึ้นมาจะตัดความเลยนะลดคำพูดให้มันลอน้อยที่สุด เอาเป็นว่าภัยที่เกิดจากความคิดเนี่ยจะทำยังไงภัยวตัตตาสงสารหกพ0นกว่าล้านคนไม่เกี่ยวกับอาชีพอะไรตกเป็นทาตความคิดทั้งนั้นตกเป็นทาตอารมณ์ทั้งหมดถ้าไม่รู้จักวิชาที่เรากำลังจะฝึกต่อไปนนะวิชากรรมฐานปัญญายานก็ไม่มีปัญญาแบบพุท ธ, ธะก็มีเมตาปัญญาแบบโลกียะแต่ท้ายสุดก็คือค่าตัวตาย อย่างแพทย์เนี่ยถือว่ามันสมองดีแต่ว่าแล้วเร็วนี้ก็มีค่าตัวตายที่อ่างทองเนี่ยคุณนด้การเยด้วยรอบๆตัวตอนนี้ไปฟังดูเถอะนะเพราะว่ามันเป็นไทยนะีที่วันที่สนะิบสามกันยายนเนี่ยประกาศชัดเจนเลยนะสิบสามกันยายนเนวันรณรงค์การป้องกันนะการฆ่าตัวตายโลกอมันมากกว่า ภัยต่างๆทั้งหมดเลยโดยพราะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่นั่งเหนือตะมาไปรูปเน่นะวันนี้ไม่มาทรรมบ้านเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ที่นี่นานาแล้วไปช่วยคนญี่ปุ่นน่ยนะค่าตัวตายเปลงไม่น้อยกว่าสาม0มืห้าพันคนวันกี่คนละ่ะในโลกนี้ทุกๆตอนนี้นะยี่สิบฟินาทีมีคนค่าตัวตายหนึ่งคนนอกจากความคิดของเจ้าของเองเพรา ะ, ะเราจบอะไรละ่ะด็อกเตอร์ กิเลสกรจบดอกเตอร์ด้วยทุกแบบด็อกเตอร์แหละปริญญาโททุกแบบปริญญาโทนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <S <S เพราะฉะนั้นเราอย่าปฏิเสธนะวิชาที่จะเรียนรู้ฝึกหัดกันต่อไปแนะ่วิชากรรมฐานนะอันนี้มันแก้โดยตรงเลยวันที่สิสากันยายนประกาศชัดเลยในประเทศไทยนะเป็นวันที่เราจะต้องมาเจริญสติกันสติมีสองแบบหนึ่งก็คือสติสัญชาตญาณ เป็นสติลักลลกสติกลัวภัยสติสา ร, รพัดนะ่แบบโลกียาทำกับแบบโลกโลกวิชาเต็มโลกจนกระทั่งเกิดนวัตกรรมขึ้นมาเป็นยุคจีโนมิกนาโนเทคเราก็ต้องเรียกว่าทันโลกทันเหตุการณ์เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงสถานาการะเทศสาต่างๆวิยาการต่างๆเพราะนั้นลักษณะของความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจึงโผมาแบบเหนือเมฆมาก หลายคนอนนี้ฆ่าตัวตายกันนะสวยมากที่สุดเป็นดาราก็ฆ่าตัวตายนะรวยมากที่สุดเจ็ษฐีเป็นโรค้าขานอาหารนะทุกขพระลูกเพาหลานเพราะงานเพราสารพัดสับสนชีวิตเนะี่ยเพราะไม่เคยเจริญสติมาก่อนยังไงท้ายสุดก็จึงนะนะเสียโอกาศนะน่าเสียดายเวลานะที่มันเหลืออยู่วควรจะหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีความสุขนะแต่ว่าเอิญไม่เคยนะ มาฝึกหัดหรือว่ามาวัดป่าสุโตในเรียนรู้วิชากรรมฐานเหมือนกับพวกเราที่มานั่งอยู่นะี่ที่แรกคิดว่าจะมาตรงกับทีนะ่ผู้ที่มาติดต่อนะเบื้องต้นก็คือประมาณ 250-300 ถึงอนะแต่ท่านี้ดีจังเนะหลือประมาณเต็มที่อยู่ร8 0นะก็กำลังดีละไม่แน่นไม่จอกินเกินไปนะเราก็จะชีวิตกันที่วัดป่าสุโตอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะบอกข้อมูลให้ ที่วัาที่สุดเรื่องเร่งด่วนเพราะเรามีเวลามาแค่สามวันสิ่งที่ต้องบอกอย่างเร่งด่วนเลยก็คือวิชากรรมฐานไม่งั้นมาที่นี่จะน่าเสียดายมากมนไรสาระมันไม่ได้มีสาระที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างนี้เห็นนั่งอยู่ในชาวญี่ปุ่นนะใส่แว่นนั่งอยู่กลางกล้อมแจกแผ่น yes please stand up เห็นไหมเนี่ยชาวญี่ปุ่นสิทธิดาวพฤหัสแท่งเกี่ยวไว้หมดนี่ญี่ปุ่นเลยเออมาตา้งไก่นะครับน้ำกระดาษเลี้งเราคนไทยไหนใครเคยมาวัดป่าสุโขทัย้ ว, วนีนะ้ยกมือขึ้นโดยพอนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็เป็นคาริการใหม่ของโกราแล้วก็ของชัยภูมิใครเคยมาที่นี่ยกมือขึ้นอ่ะมีมาหนึ่งคนขอญาตเยือนนิดหนึ่งขอดูหน้า น, นิดนึง มีเพื่อเราเคยมาหนึ่งคนโอ้เนี่ยเห็นไหมนั่งลงโมทนา่าเพราะฉะนั้นคงจะมีอะไรที่มันแปลกๆอยู่ที่นี่ น, นะตั้งใจให้ดีอย่าให้เสียมันก็ว่าเวลาที่มาที่นี่เปล่าประโยชน์สิ่งที่เร่งด่วนที่จะพูดเดี๋ยวนี้ก็คื อ, อทุกคนนั่งเอามือซ้ายมือขวาวางไว้ที่หัวเขา่าไม่ต้องไหวครูอะไรไม่เสียเวลาเวลาชกเลย มือซ้ายมือขวาวางไว้ที่ข้อเข่านะเสร็จแล้วพลิกมือขวาตั้งรู้สึกตัวไหมรู้ไหมถ้ารู้ยักหน้า น, นิดนึงรู้อยู่นะรู้ว่ามือมันตั้งใช่ไหมรู้ตัวไหมอันนี้สติปัฏฐานมันไม่ใช่สติสัญชาตญาณที่ออกไปทางตาหูแล้วก็สมองคิดปรุงแต่งไม่ใช่แต่นี้เป็นการเคลื่อนมือแล้วก็รู้ตัว สัมผัสรู้สึกตัวอเอามือขวาไปไว้ด้านหลังบ้างอยู่ข้างหน้าเผื่อตามันจะมองเห็นนะตอนนี้เราเอานิ้วนะหัวแม่มือกับนิ้วชี้มากระทบกันเอามากระทบกันรู้สึกไหมส่วนใหญ่คนบ้าไม่รู้สึกตัวจิตวิปัลาสทั้งหลายไม่รู้สึกตัวนะจิตมันจะหลอนจะปรุงแต่ง ประเภทนั้นนะคนที่อยู่ออกับความคิดก็ไปอยู่ออกับความคิดมันก็จะอารมณ์ค้างทันทีทําไมทําไมทําไมก็ว่ากัน เ, เราทําไมก็ไมกเขใจเราทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นสารพัดแหละที่จะคิดให้ตัวเองทุกเล่นเราตายสุขค่าตัวตายประเภทนีน้ไม่ตายก็บาบอกรแตกเบีย ล, ลาดหรือว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นโรคจิโตโรประสาทหรืออ่อนอ่อนอีกนี่คือปวดหัวบ่อยประเภทนีน้คิดเก่งปวดหัวบ่อย ยาก็ปดหัวย่าปวดหั ว, ว, หวในประเพทเนี้ไม่มีวิชากรรมฐานอ่ะเอามือกรรมนะมือขวากรรมแบ่กำ ร, ร, รู้สึกตัวไหมแบร่รู้ตัวอยู่ไหมอ่าหลายคนไปยักหน้าอ่ะทีนี้เรามือซ้ายมือขวาวางไว้ที่หัวเขา่าอันนี้จะฝึกในรูปแบบนะที่วัดป่าสุขโตเราฝึกกันแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวใครพูดถึงที่มาที่ไปกันทีหลังต่อไป ตอนนี้ไม่เก๊กไม่เกรงนะรู้สึกว่านั่งแล้วรู้สึกสะดวกไม่เหมือนกับถูกบังคับรู้สึกตัวนั่งแล้วเออมันก็สะดวกสะดวกอยู่ไม่ถึงขั้นสบายนะหรืออาจจะสบายก็ไดนะ้หาเอาเองแล้วกันจุดไหนมันผ่อนคลายสบายตัวเสร็จแล้วพลิกมือกว่าตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวเคลื่อนมาวางไว้ที่สะดือรู้สึกตัว พลิกมือซ้ายตั้งรู้สึกตัวยกข like ึ้นไปรู้สึกตัวทับหลังมือขวารู้สึกตัวเคลื่อนมาที่อกรู้สึกตัวมือขวานะอออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวความลงรู้สึกตัวซ้ายเคลื่อนมาที่อกรู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวความลงรู้สึกตัว คอยครั้งหนึ่งนะปลิกมือขวาตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัววางไว้ที่สะดือรู้สึกตัวปลิกมือซ้ายตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวทับลงมือขวารู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาที่อกรู้สึกตัวเคลื่อนออกไปรู้สึกตัวหวางตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวความลงรู้สึกตัว้ายเคลื่อนมาที่อกรู้สึกตัว ออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เก่ารู้สึกตัวคว่ำลงรู้สึกตัวนะอันนี้คือรูปแบบการปฏิบัติที่นี่วัดป่าโซตัวเนี่ยมาฝึกหัดใหม่ๆนะีนะ่ยก็ฝึกหัดการเคลื่อนมือสิบสี่ชิว่ารู้สึกตัวหรือว่าเดินจงกลมนอกจากเคลื่อนมือรู้สึกตัวเวลามันปวดมันเมื่อนะีมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเคลื่อนมือก็เป็นลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเดินมา อัตมามาเบื้องต้นมาอยู่ที่นี่ปีปีเนียนะเบื้องต้นก็นมาฝึกวิชานี้แหละนะปีหนึ่งปี2ปีสาปีสีปี5ปี6นะมันก็หมอแพทย์นะหรือว่าทันตแพทย์เภสัชเรียนจบมาก็6ปีนะมันก็มีความสำเร็จได้เหมือนกันหนะลักการนี้คือให้เรามาอยู่กับความรู้สึกที่ตัวตัวกายนะเพื่อไม่ให้จิตใจของเราซึไม่มีตัวตนนะไปอยู่กับความคิดนะให้มันออกมาอยู่กับกายก่อน เพื่อที่มันจะได้เห็นความคิดจิตชอบไหลไปกับความคิดคิดไปดีดคิดไปอนาคตที่เ่อกี้เราสวดแล้วนะรือว่าวิภาควิจารณ์เห็นปัจจุบันปรุงแต่งเก่งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้ววัดคนอื่นมาถูกว่าผิดอย่างเงี้ยมีทิฏฐิมีมานะอัตราตัวตนมากมายแล้วกันภาษาศาสนานแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พูดถึงมันเอาไว้ว่าเมื่อจิตมารู้สึกอยู่กับกายจนกระทั่ทงมันวางกายเป็ น, นจนกระทั่งมันเห็นะ ตัวจิตตัวใจนะที่เป็นตัวสตินะเป็นตัวรู้แล้วมารู้ตัว2ตัวเนี้มันก็จะรู้สึกตัวนะรู้กายก็วางกายพอมารู้จักทันความคิดมันก็วางความคิดบางเรื่อง ก, ก็ต้องวางบางเรื่อง ก, ก็ทิ้งไปเลยบางเรื่อง ก, ก็เออหยิบ ม, มาใช้อย่างตอนนี้คิดแล้วพูดนะหยิบ ม, มาใชา่ก็รู้เออหยิบ ม, มาพูดอยู่ยอย่างเงี้ยหยิบคิดแล้วก็ทํางานทําการวิชาข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ในสมองในความจํำ ก็ระ ล, ลึกร่วงเอามาใช้แล้วก็วางพอท้ายสุดมันกลายเป็นคนที่รู้มากแล้วก็ติดรู้มันก็กลายเป็นพยองลาพองตรนงนะเป็นทิฏฐิมาหน้าตาทัตนมากมายแล้วกันะน้ำาจเป็นเรื่องทําไมเรายิ่งทํางานยิ่งทุกขนะ์ยิ่งตาแหน่งดีขึ้นยิ่งทุกข์ทำไมยิ่งเงินมากายิ่งทุกข์มากมายนะเพราะฉะนั้นให้ฝึกวิชากรรมฐานนะมารู้สึกตัวกันนั่งปรั๊บเราก็เคลื่อนไหวมือสิบสี่ชั่งหวังเดี๋ยลองสิ ลองยกร่วมกันเนี่ยทางพระทั้งโยมเนี่ยลองดูซิมันจะเป็นยังไงสักสองสามรอบพอดีพวกเรามาช้ามันก็ไปช้าแต่มาถึงเงย็นแล้วสี่ห้าโมงแล้ว เ, เราก็ยังไม่ได้บอกเรื่องเร่งด่วนกันที่สุดของการอยู่สามวันที่นี่จะพัฒนาต น, นคลองตนเพื่อที่จะคองคนแล้วก็ครองงาน เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันก็ต้องเนี่ยเรามารู้จักตัวเองซะก่อนรูปแบบมีหลายวิธีในเมืองไทยอาณาปนานติก็มีทนะ้องพองโยกก็มีสัมมาหลังก็มีมากมายแต่มาที่นี่เรียนรู้ที่นี้ก่อนไม่ต้องเชื่อแต่ไม่ต้องปฏิเสธนะรับรู้เรียนรู้ตามวิจัยของบัณฑิตออกมนมีอย่างนี้ด้วยนะเนะื้อใยสุดลองดูสิว่าจะทรมมันจะจริงไหมหรือว่าท่านจะหลอกเรา ว่าเราทำอ๋อมันก็รู้ตามได้เหมือนกันรู้แจ้งเห็นจริงนะการพูดให้ได้ยินได้ฟังมันก็รู้จักกันไว้วนะันที่นี้ก็ฝึกกันแบบนี้วัดป่าสุขโตสถาบันสติประธ า, านนะจารสติแนวเคลื่อนไหวก็นี๋ยวเราลังเคลื่อนไหวมืออยู่หมดนี้เรียกว่าสมัมผัสปรับพระพรนะเจ้ารู้ได้ด้วยอานาปานรัติแต่ว่าเรารู้ได้ด้วยอัน ลักษณของสมัมผัยาปั๊พ ะ, ะการเคลื่อนไหวทั้งวันเป็นการปฏิบัติธรรมการทำงานเดินไปเดินมาหันซ้ายแล้วขวาล้วกูเหยียดเคลื่อนไหวเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้เราฝึกในรูปแบบไปก่อนอย่างนี้การเคลื่อนมือแต่และจังหวะกว็รู้สึกตามความเป็นจริงไปสัมผัสรู้กระทบรู้การเก่งการคลายการเคลื่อนการหยุดนะรู้สึกตัว เวลาเพื่คิดหรือว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใส่ใจกลับมารู้สึกที่ฐานกายของเราเหมือนเดิมจนกระทั่งมันเกิดความตั้งมั่นหนานะก็เรียกว่าสมาธิมันเกิดขึ้นมามารู้สึกตัวได้ต่อเนื่องมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายอันนี้จะเป็นผลจากการที่เราฝึกแล้วฝึกอีก นึ่งชั่วมงสองชัมงวันสวันสวันสวันก็จะต้องจำนานนะมันจะเคลื่อนแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดามีการปล่อยการวางยกมือมันก็วางไม้วาง ม, มือมีการวางหน้าวางตาวางกายคลายคลาวางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องมันจะเริ่มรู้จักทีละเปาะทีละจุดทีละจุดทีละจุดมันก็จะพัฒนา ชีวิตของเรามีกายก็ใช้กายมีจิตมีใจมีความคิดก็หยิบจิตหยิบใจหยิบความคิดมาใช้จะเกิดประโยชน์ทีเดียวพราะว่าปกติชอบทําตามอารมณ์ไงเวลาเราเพลิดสติชอบทําตามอารมณ์ชอบทําตามความคิดที่ปรุงที่แต่งอันนี้ภาษาที่พูดฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรได้ยินได้ฟังผ่ า, า, านๆไว้ก่อนเรียกว่ารู้จักรู้จํำมาไว้ การเคลื่อนไม้เคลื่อนมันนี่ก็คือให้ใจมีสติอยู่กับกายรู้จำเอาไวนะ้พอเราเริ่มปฏิบัติก็จะเห็นแจ้งแจ้งประจักษ์ในสิ่งที่ทําลงมือทําก็ต้องเห็นธรรมชาตินะมันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจริงๆขนาดต่อขนาดจะกลายเป็นรู้แจ้งขึ้นมารู้จริงขึ้นมาเห็นจริงตามเห็นแจ้งขึ้นมามนเกิดจากการกระทําต่อไป เอาละเอาแค่นี้ก่อนปะเดี๋ยวเราจะไหว้พระสวดมนต์กันกราบลาพระครั้งสุดท้ายนะสำหรับการทำาัตรสวดมนต์ฟังธรรมภาครั้มแค่นี้ก่อนนะหลังจากนั้นนะเดี๋ยวพระ2์ส่วนหนึ่งท่านก็จะลงไปปฏิบัติธรรมต่อที่กุฏิหรือที่ท่านนะทำอยู่ทุกวันตรงไหนก็ชชางท่านอีกส่วนหนึ่งนะพระใหม่โดยเพระ เห็นว่ากิจกรรมนี้ก็ควรเข้าร่วมปฏิบัติด้วยในช่วงของนะตั้งแต่วันนี้นต้นไปบางทีจะปล่อยสื่อเช่นวันนี้พระสมนิเทศ น, ะนิเทศสุกตความเป็นอยู่ในวัดแล้วคนที่มาวัดมาทำอะไรกันก็จะปล่อยสื่อนะเพราะว่าอาจจะเข้าใจได้ดีกว่าภาพกระมองเห็นนะข้างหลังก็สามารถเห็นบุคคลนะที่อยู่ในวัดนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานสง หลวงพ่อคำเขียนหรือว่าอาจารย์ภัยสารวิสาโลเป็นเจ้าวาดอย่างเงี้ยนะลักษบรรยากาศของวัดกิจวัตรประจําวันมันเป็นยังไงชุมชนของเราตื่นกี่โมงนอนหลับันกี่โมงแล้วมาทําวัดเช้ากี่โมงเราจะต้องตื่นกี่โมงเราตาดาไกี่โมงเราดูจากเสื่อแล้วก็ในสาราองการปฏิบัตินี้มาสามวันห้วันเวันเราจะกี่วันอย่างเงี้ยนะสาราเป้าหมายสูงสนกันมาทีนี้คือมาทําอะไรกัน เดี๋ยวเราจะดูจากสื่อกันอีกทีนึงนะเอาละเห็นว่าสงกรานต์เก็บเวลากลาราบพร้อมกันก่อน